ปริชายานของผู้ไม่รู้หนังสือหลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จักตอนที่สามคำถามจากผู้ฟังท่านหนึ่งฟังดูคล้ายกับหลวงพ่อท่านมีอารมณ์ร้ายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เท่าที่ผมเคยฟังมานั้นหลวงพ่อเทียนมีวิธีสอนที่แปลกพิสดาร ที่อาจารย์เล่าว่าเรากับจะกินเลือดกินเนื้ออาจารย์ไม่ได้หมายความว่ามีอารมณ์เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งใช่ไหมตอบโดยท่านเขมานันทะหลวงพ่อเองแสดงบทบาทหลายบทบาทต่อคนหลายประเภทดังที่ท่านอาจารย์ระวีภาวิไลได้ระบุถึงในคาสะดุดีอันน่าสเือนอารมณ์ แต่ที่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งน่ากลัวนั้นความน่ากลัวนั้นเองทําให้ตรหนักและเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าถูกจังหวะมันเข้าหลวงพ่อเป็นคนใจดีมากผมไปเยี่ยมที่วัดเห็นท่านนั่งชุนจีวอให้สามเณรและก็สิ่งหนึ่งที่จะกล่าวไว้ในที่นี้ด้วยคือหลวงพ่อเป็นคนธรรมดา และในความธรรมดานี้เองผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันเป็นของขวัญสำหรับเพื่อนมนุษย์ท่านมิใช่อัจฉริยะที่พวกเราไม่อาจเข้าถึงได้หลวงพ่อพูดเสมอว่าหลวงพ่อไม่รู้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่หลังจากฟังท่านแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าท่านไม่รู้อะไร เมื่อถามอีกว่าหลวงพ่อไม่รู้อะไรจริงๆหรือท่านก็บอกว่ารู้ท่านจะกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ผมมานั่งคิดว่าท่านไม่ใช่คนตระบตะแงหรือตีฝีปากจัดจ้านท่านเป็นมนุษย์ที่ซื่อท่านบอกข่าวสารอย่างซื่อตรงไม่เคยกลับกรอกแต่ว่าตัวที่กลับกรอกจริงๆนั้น คือตัวความคิดหากเราเข้าหาท่านท่านก็เป็นกระจกให้เราท่านตรงดีแต่เราเริ่มแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกตัวเราเองในที่สุดภาพสะท้อนที่ปรากฏก็เสมือนบิดเบี้ยวจนกว่าเราจะเลิกซุกซนเลิกหลอกตัวเองแล้วเราก็จะพบว่ากระจกบานนี้ ช่างสัตว์ซื้อดีครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นชาวสิงคโปร์ชื่อคนรอนนี่คนคนนี้แปลกทีเดียวเขาเป็นคนที่ฝึกกับหลวงพ่อติดต่อกันโดยไม่นอนเลยถึงสามคืนหลวงพ่อรักใครเอ็นดูเขามากและชมเชยให้ผมฟังว่าเขาเป็นคนมีปัญญาดีตอนที่หลวงพ่อไปสิงคโปร์ ก็จัดภาวนากันอย่างต่อเนื่องรอนนี่เป็นผู้ที่มีศรัทธาในหลวงพ่อในช่วงภาวนากันอย่างต่อเนื่องนั้นเขาเดินจงกรมทั้งคืนผมเองหลับบ้างตื่นขึ้นจงกรมบ้างวันสุดท้ายดวงตารอนนี่เริ่มเหมือลอยผมสังเกตเห็นเป็นคนแรกตอนนั้นหลวงพ่อป่วยเป็นมะเร็งนอนสมอยู่ ไม่ค่อยมีเรียวแรงผมไปบอกท่านว่ารอนนี่เป็นอะไรไม่รู้ตาเลื่อนลอยทั้งๆที่นอนเจ็บสุดอยู่กับพื้นหลวงพ่อลุกขึ้นห่มจีวร อ, อย่างรวดเร็วซึ่งผมแปลกใจมากในความกระฉับกระเฉงนี้ท่านรีบคว้าข้อมือรอนนี่จูงออกไปคุยกันโดยผู้เป็นล่ามคืออาจารย์ชูศรี ต่อมาผมซักไซคุณรอนนี่ว่าหลวงพ่อได้พูดอะไรกับคุณบ้างเขาบอกว่าผมฟังไม่รู้เรื่องเลยหลวงพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกแปลกมากที่รู้จักสัมผัสที่หลวงพ่อบีบมือตามความเข้าใจของผมนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราเร้าความรู้สึกตัวมาถึงจุดหนึ่ง คือความไหวอ่อนว่องไวเปรียบประดุดเครื่องเรดาร์หรือฟิล์มถ่ายรูปซึ่งไวแสงเมื่อปลุกตัวนี้ตื่นแล้วอะไรเข้ามาก่อนมันก็จะจับตัวนั้นผมเคยถามลุงพ่อว่าถ้าเราช่วยเขาไม่ทันในช่วงนั้นเขาจะรู้ไหมลุงพ่อบอกว่ารู้แต่เขาก็เป็นของคนอื่นและหรืออาจเสียจริตได้ ผมเห็นหลวงพ่อบีบมือพร้อมกับบอกว่ารู้รู้วัตถุรู้ปรมัติร์รู้อาการเป็นการแนะนำให้รู้เห็นธรรมชาติแห่งตัวเองในสภาวะนั้นๆรอนี่เองมีเรื่องขำก่อนที่เขาจะมาหาหลวงพ่อเขาทะเลาะ ก, กับภรรยาภรรยาของเขา ไม่อยาให้เขามาปฏิบัติธรรมเลยภรรยาเขาว่าเป็นโยมต้องปฏิบัติแบบโยมซึ่งหลายท่านที่อยู่กับหลวงพ่อจะพบว่าคำว่าปวดศึกพระโยมไม่มีความหมายใดๆในเส้นทางสายนี้มันขึ้นอยู่กับสติปัญญาความรู้สึกตัวและความขยันอย่างต่อเนื่องเท่านั้น รอนนี่ทะเลาะกับภรรยาอย่างรุนแรงเหตุที่ทะเลาะคือเขาจะมาหาหลวงพ่อเป็นครั้งแรกให้ลหลวงพ่อก็ไม่รู้จักเขามาก่อนรอนนี่ค้องใจอยู่เรื่องหนึ่งเขาถามว่ามีเหตุปัจจัยใดที่ทำให้หลวงพ่อทั้งที่เป็นโยมนุ่งกางเกงขาสั้นบ้างขายาวบ้างรู้ธรรมะถึงที่สุดภายในคืนเดียว ผมอัศจรรย์ใจมากที่หลวงพ่อตอบว่าหลวงพ่อไม่เคยทะเลาะ ก, กับเมียตอนนี้บอกผมว่าเขางงไปหมดเลยว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าเขาเพิ่งทะเลาะ ก, กับเมียมาหยกหยผมได้เรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่เคยทะเลาะ ก, กับเมียจริงหรือหลวงพ่อบอกว่าเคยครั้งเดียวในชีวิตแล้วต่อจากนั้นหลวงพ่อก็ลาภรรยา ไปปฏิบัติธรรมนี่เล่าสนุกสนุกเท่านั้นเรื่องที่เล่าอาจสั้นไปหลายคนรู้ดีกว่าผมแต่ผมจะเล่าสั้นๆคือหลวงพ่อจัดงานบุญบ้านและให้ภรรยาของท่านเป็นคนจ่ายค่าหมอลำภรรยาของท่านซึ่งนิศักเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องทั้งเกรงกลัวแล้วรักหลวงพ่อแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้ จึงถามหลวงพ่อกลางงานว่าควรจ่ายค่าหมอรำเท่าไรทำไมมอบหน้าที่ให้แล้วต้องมาถามอีกให้มันยุ่งยากขึ้นตกเย็นหลวงพ่อก็ไปขอโทษภรรยาตอนนั้นท่านยังไม่ได้ออกบวชขอโทษว่าเมื่อกี้เรากลーเจ้าภรรยาของท่านก็บอกว่าโกรธข้า เจ้าก็ตกนรกคนเดียวสิด้วยถ้อยคําอันแหลมคมนั้นหลวงพ่อคิดว่าถ้าละความโกรธไม่ได้จะไม่กลับมาอยู่บ้านตอนนั้นท่านเริ่มไปวัดหลวงพ่อได้กลับกลายเป็นผู้ที่เรานับถือบูชาอันเนื่องมาจากภรรยาผู้เป็นคู่ชีวิตที่ดีตามที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังท่านเล่าว่า นั่นเป็นครั้งสุดท้ายคือโกรธภรรยาครั้งนั้นแล้วไปปฏิบัติธรรมเพื่อเอาชนะความโกรธให้ได้ mm hmm. หลายครั้งหลายหนที่ผมพาเพื่อนต่างชาติไปพบท่าน mm hmm. ผมพบอะไรที่ไม่เหมือนกันสักครั้งครั้งหนึ่ง mm hmm. ผมพาสัมมะเนีน่เปตไปหาสมัยนั้น ผมยังไม่คุ้นกับวิธีการของหลวงพ่อผมเห็นท่านบวยวายท่าทางออกนักเลงท้าทายพระฝรั่งองค์นั้นผมใจไม่ดีเลยเพราะเป็นเพื่อนต่างชาติด้วยแล้วเขาก็ซักไซถามปัญหาหลวงพ่อหลวงพ่อจึงพูดในลักษณะติดเตียนว่าคุณมาอยู่ที่นี่ทำไมกลับไปได้แล้วถ้าไม่ปฏิบัติธรรมะ จะมาอยู่บ้านเมืองของเราเพื่ออะไรท่านพูดอย่างกับว่าท่านพูดอย่างกับเป็นเจ้าข้าวเจ้าของประเทศขึ้นมาผมเห็นพระองค์นั้นกลัดกลุ่มมากสาเดินให้หลังพบกันใหม่ผมเห็นท่าทีพระธิบเถรท่านเปลี่ยนไปดูเฉยเฉยจากคนที่เคยช่างพูดดูจะพูดน้อยลง ท่านเล่าว่าตั้งแต่ไปประทะคขารมกับหลวงพ่อมาท่านก็หนีไปอยู่คนเดียวที่ชนบุรีและปฏิบัติธรรมโดยตรงสิ่งนี้เราอาจคิดว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งหนึ่งผมก็เคยคิดว่าเป็นอุบัติเหตุเดี๋ยวหลวงพ่อพลิกไปทางนั้นพลิกไปทางนี้กับบางคนผมยกตัวยอย่างเด็กหนุ่มคนหนึ่ง เป็นนักร้องนักดนตรีและสถาปนิกซึ่งหลวงพ่อให้ความเอ็นดูมากเขาชื่อคุณโตเวลาหลวงพ่อสอนเขาบางทีก็บอกให้เล่นเปียนโนให้หลวงพ่อฟังที่บ้านคุณโตเราไม่สามารถจับได้เลยว่าท่านอยู่ในจุดใดแต่เราจะรู้ต่อเมื่อลูกบอลถูกยิงเข้าประตูแล้วเท่านั้น เราจะค่อยๆตื่นตัวและหลวงพ่อก็ไม่ได้เป็นอย่างเคยในที่สุดเดี๋ยวนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าหลวงพ่อเป็นอะไรแต่ผมว่าท่านเป็นนักยิงประตูที่แม่นยำผู้ใดมีความรักมีความศรัทธามีความเชื่อมีน้าใจกับท่านแล้วจะเข้าใจได้ดีท่านพูดเสมอว่า ความไม่เชื่อนั้นจะบทบังไว้เชื่อผู้นำที่เป็นผู้ไม่รู้จริงผู้นำก็จะบังไว้จนนาทีสุดท้ายเหมือนกันแต่ถ้าพบผู้ชี้ทางที่รู้จริงไม่ช้าไม่นานกำแพงกีดกั้นจิตสองดวงก็จะพังทลายลงซึ่งถือเป็นรุ่งอรณุณของพรหมจรรย์เหตุเพราะได้กัลยาณมิตร นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วพระพุทธองค์ได้ประกาศสอนการเจริญสติบนฐานทั้งสท่าำกลางบรรยากาศของอุปนิสัตต์หรือของพราหมณ์วัฒนธรรมแห่งการเจริญสตินั้นเกิดภายใต้ต้นโพตอนที่พระพุทธเจ้าออกพนวดท่านไปเรียนกับอุทธกาดาบดและอาร า, ราดาบด เรียนทมสมถะขั้นสูงในสมัยนั้นอุทกดาบทกับอาราราดาบทเป็นที่ยอมรับของมหาชนของสังคมอินเดียสมัยนั้นว่าเมื่อไปเรียนจนถึงที่สุดแล้วท่านก็พบว่าชันเช่นนั้นยังอาพาธได้คือต้องปรุงต้องแต่งต้องกระทําสมถะอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงตรักว่า ไม่ใช่อิสระภาพโดยเด็ดขาดสิ้นเชิงพระองค์จึงบอกลาเกิดคำถามที่บุดขึ้นในใจเราว่าถ้าทำสมถะเจริญชาญไปจนถึงที่สุดจริงๆแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกเลิกทำไมไม่ทำต่อไปให้จบจนถึงที่สุดในสายนั้นวันที่พระพุทธเจ้าฉันเข้ามาทูปายาิของนางสุชาดา แล้วลอยถาดเสียงพระบารมีอันทิฐานนั้นถาดไหลทวนกระแสสู่ต้นกำเนิดน้ำและจมลงสู่ห้วงบาดาล น, นาคพิภพเป็นรหัสบุคคาธิสฐานของการภาวนาว่าต้องทวนเข้าสู่ต้นน้ำหรือสมุดฐานของความคิดความคิดออกมาจากที่ไหนก็รู้ไปที่นั่นตำทานนั้นไม่ใช่แม่น้ำเนรัญชลา แต่คือกระแสะทานของอารมณ์พระองค์ทรงข้ามแม่น้ำเนรัญชาและไป น, นั่งใต้ต้นโพภายในกคืนนั้นนั่นเองพระพุทธเจ้าของเราได้อุบัติขึ้นในช่วงเช้าตรู่โดยการทวนกระแสะอารมณ์จนถึงที่สุดของอารมณ์ภาวนาซึ่งผิดแผกแตกต่างจากกรรมวิธีอื่น ที่เพ่งอารมณ์เป็นใหญ่อันนาจิตเข้าสู่ภพต่างๆไม่ใช่การสิ้นภพสิ้นชาติแต่ติดอยู่ในภพอันประนีตดังสองดาบทเป็นอาทิหลวงพ่อจะพูดอยู่เสมอว่าอย่าเข้าไปในกระแสหรือห่วงโซ่ความคิดอย่าหยุดความคิดแต่ให้ดูความคิดเมื่อรู้สึกตัวแล้ว ก็จะไปที่จุดนั้นโดยไม่มีใครห้ามได้คำถามจากผู้ฟังสมมุติว่าหลวงพ่อเป็นมนุษย์อัศจรรย์จริงๆรู้จักใช้เทคนิคต่างๆกับแต่ละคนที่มีจริตต่างกันรู้จักว่าคนนั้นต้องใช้แบบนั้นแบบนี้โดยไม่มีรูปแบบตายตัวผมจำได้ว่า ครั้งหนึ่งอาจารย์ไปสร้างบทที่สงขาอาจารย์เป็นผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกอ่านจบมาตั้งสองสามรอบแล้วอาจารย์รู้ทฤษฎีมากแต่หลวงพ่อรู้ว่าจะสอนอาจารย์อย่างไรตอนนั้นอาจารย์กำลังจะสร้างบทหลวงพ่อรู้ได้อย่างไรว่าอาจารย์กำลังกุ่มใจอยู่ท่านเขมานันทะตอบ เดี๋ยวนี้ผมกลับไม่คิดว่าท่านรู้ได้อย่างไรและไม่คิดว่าท่านเป็นมนุษย์มหัศจรรย์แต่คิดว่าท่านบอกอะไรผมส่วนที่ว่ายานเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นผมคิดว่าสุดวิสัยที่จะอธิบายได้สิ่งที่ท่านบอกมานี่ชัดและตรงแต่เราจะต้องเข้าใจเดี๋ยวนั้น ถ้าชานิดเดียวพอความคิดเกิดขึ้นมันก็ถูกบังเพราะเกิดการตีความแยกแยะคำถามที่ถามผมนั้นปีนั้นผมลงไปอยู่ทางใต้อยู่หาดทรายแก้วจังหวัดสงขลาผมเริ่มปฏิบัติตามแนวทางของท่านแต่ก็ยังไม่ทราบซึ้งมากยังลองผิดลองถูกอยู่ยังจับความรู้สึกตัวไม่ได้ อย่างเพ่งเลงอย่างจ้องอย่างสองจิตสองใจอยากจะใช้ความคิดเข้าไปาร่วมแก้ไขวิกฤตการณ์ความรุนแรงทางสังคมที่เป็นบรรยากาศในประเทศของเราในช่วงนั้นผมไปสงขามีหาดทรายผุดขึ้นกลางทะเลเขาเรียกว่าหาดทรายแก้วพวดผู้กับเกาะหนูเกาะแมว อันเป็นตำนานเมืองสงขาผมไปอยู่ที่นั่นเป็นคนแรกชาวบ้านคิดว่าผมเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์เขาเห็นดาวตกที่นั่นสามดวงพอดีกับช่วงผมไปที่นั่นกับเพื่อนพระสามรูปทีนี้เขาก็คิดว่าผมศักดิ์สิทธิ์มากันทีละหมู่บ้านมาจูบมือกลับเท้าผมชักลังเล เพราะว่าอยู่ในเครื่องแบบของสงเลยดิ้นไม่หลุดจากการผูกมัดจากความเชื่อของประชาชนซึ่งขัดแย้งกับความเป็นตัวของตัวเองแม้รู้จะเอาอันไหนประกอบกับข่าวเล่าลือทั้งชาวเมืองและแม้ชาวบ้านใกล้ๆหาดสายแก้วว่าที่นั่นเป็นเขตจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์ถูกเพ่งเล็งจากทางราชการว่ากาลังซ่องสมกาลังพล ถือเป็นกรณีสำคัญของจังหวัดผมตั้งใจจะสร้างวัดที่เน้นวิปัสสนาญาติพี่น้องของผมเดือดร้อนมากช่วงนั้นเป็นวิกฤตการชีวิตของผมปีนั้นโดยการสนับสนุนของมูลนิธิเผยแผ่ชีวิตประเสริฐผมจัดสัมมนาธรรมะพระสงฆ์ไปกันมากพอสมควร เมื่อพนมเป็นแตกพระสงฆ์จากเขเมรมาร่วมสัมมนาด้วยกลางวันผมทำกิจได้ดีไม่มีปัญหาอะไรพอกลางคืนนอนไม่หลับเพราะความเครียดความสับสนความกลัวและความอยากที่จะทำอะไรให้ดีความโดดเดี่ยวรุมเร้าซึ่งผมคิดว่า mm hmm. เหตุการณ์อย่างนี้มาเกิดขึ้นกับชีวิตของคนเรา ไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งคือเรามาถึงตาจนในช่วงนั้นเองหลุงพ่อซึ่งไม่เคยสนใจที่นั่นก็ไปหาท่านไปกับคุณพี่วิโรธสิริอาจประธานพอชอปอไปคืนเดียวแล้วก็กลับจากกรุงเทพไปสงขลาประมาณพันกิโลเมตรข้ามเรือไปอีกราวครึ่งชั่วโมง พอไปถึงช่วงเช้าท่านก็เอาข้อความที่จดไว้ในกระดาษให้ดูตอนนั้นผมแนะคคำบาลีท่านอยู่บ้างผมเองก็รู้ไม่มากหลายครั้งที่ผมอธิบายศัพท์ บ, บาลีให้หลวงพ่อรู้ความหมายแล้วทุกครั้งท่านก็เลือกชี้ความหมายได้แม่นยำกระทบความรู้สึกทำให้เรายอมรับว่า เนื้อหาที่ซ่อนเล้นอยู่ถ้าเราไม่รู้จักมันก็จะเลือกผิดเป็นที่รู้กันดีว่าคำคำเดียวกันในภาษาบาลีนี้อาจตีความหมายได้หลายในลุงพ่อเอาประโยคหนึ่งไปถามผมว่าแปลว่าอะไรสัตว์โลกทั้งหลายยินดีในธรรมเครื่องเื่นช้า ส่วนพระตถาคตทั้งหลายไม่ยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นช้ารุ่งเช้าก่อนกลับกรุงเทพท่านแวะไปยังกระท่อมที่ผมพักอยู่แล้วยื่นกระดาษคำถามเดิมเป็นทีว่าลืมซึ่งผมก็อธิบายความหมายเหมือนวันก่อนว่าสัตว์โลกทั้งหลายยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นช้าส่วนพระตถาคตทั้งหลาย ไม่ยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นช้าหลวงพ่อกลับกรุงเทพไปโดยไม่ได้ฉันเช้าด้วยตกเย็นผมก็มาคิดว่าเอหลวงพ่อมาทำไมนะทางมันตั้งพันกิโลผมไม่เข้าใจตีไม่แตกว่าท่านมีเหตุผลอะไร แต่พอหลายคืนผ่านไปผมก็นึกออกว่าสัญญาณอันตรายได้เตือนผมแล้วจากนั้นผมก็ออกจากที่นั่นติดตามท่านมาอยู่ที่วัดสนามใน